เงียบนะไม่ใช่ความเงียบแต่ชีวิตเราอะมีความเงียบอย่างนี้บ้างน่าจะดีชีวิเราไม่มีความเงียบเลยมีแต่ควา ม, ม, มวุ่นวายเป็นควาว่นาที่เกิ้นท้ายแล้วก็ได้แตบน ก่ลอยบนทุกวันจนเบื่อที่จะบนเบื่อที่จะพูดมันไม่ไหวาพูดมามากี่ปีแล้วใช่แต่ทำไมจุงมันจยอะจังทำไมเบื่อวันด้วยจังคุณพิจิตรฉาลามาหลายครั้งแร้ทําไม มันคือคำถามมันคือประโยคน์คำถามแต่คำตอบมันไม่มีเราไม่หาคาตำตอบทําไมจุงมันเข้ามาได้มุงรูดเต็มไปหมดตลอมาแรงบานทำไมเข้ามาได้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญาเราก็จะมีแต่คําถามอยู่ทั้งสื่อ ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นีทําไ ม, ก, มก็ก ม, ก ม, มีแต่คําถามคําถามคำถามแล้วมันไม่มีคาตอบมันเลยปัญหาชีวิตนี่คือปัญหาชีวิตคําตอบง่ายๆก็คือเราเคยเปิดแต่มันเข้าเองมันอยู่ของนอกไปแตยุ่งเรื่องวันเราเปิดเราไม่ปิดนี่คือทวาร โอเคนาจิโก้น้องแค่นานาวนี้ตัวเรานะเ น, นี่ยมันเป็นการที่มันเข้ามาในตัวเราได้ครับก็คืเปิปเปิดทวานะมันเข้าเปิดตามันเข้าเปิดหูให้มันเข้าเปิดใจให้มันเข้ า, ม, ข า, ปป ม, ขามันก็ไหลเข้ามาในตัวเราพอเข้ามาแล้วบอกไมมันทุกข์เหลือเกินก็ทำไมอีกล่ะ แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาหาครับตอบ ว, ว่าทําไมมันทุกข์ทำไมมันสุขก็มีแต่คำถามถามทุกวันแต่นั่นแหลครับตอบกับตัวเองอยู่ข้างในอยู่ดีๆพอไปถอยออ ก, อกแล้วก็บอกว่าทำไมมันร้อนเหลือเกินมันน่าร้อนตากแดดมันก็ร้อนอยู่ทไมตัวไม่ร้อนก็หลบ อย่าไปตากเดดแต่โดนฝนฝนตกมันก็เปื่อยทำงไงถึงไม่เปื่อยก็อย่าไปตากฝนจิตอยู่สภาพเป็นอย่างจิตมันไปหาเรื่องเดือดร้อนอื่น อ, อยู่ในบ้านอยู่ในกายอยู่ในมันออกหาข้างนอกจะออกนอกบ้านถ้าเวลากอัว้องร้อนทำไมมาทุกข์ทำไมมันร้อน สำไมมเปียกเอา้าก็จิตไปเที่ยวข้างนอกอ่ะไม่เข้าอยู่ในบ้านมันมีบ้านอยู่ไม่อยู่พอไปตากแดดตัดฝนแล้วก็ไปโทษแบบโทษฝนจิตไม่เป็นกนุศลเป็นยังไงจิตที่เป็นตักุศลเขาก็จะจิตได้แต่อาให้เราเปียกเพราะเราไปตากฝนเองถ้าไม่อยากให้เปียกใหเข้ามาข้างใน ที่เราร้อนเกินนกันพราะเราไปตากแดดเองที่มันเย็นเราไม่อยู่เราไปอยู่ที่มันร้อนใจเราไปอยู่ น, นกันที่มันเย็นเยนเรื่องเย็นเย็นไม่อยู่ไปอยู่กับเรื่องร้อนที่ไปโทษใครไม่ได้นั่นคือวิธีฝึกวิธีท่สำคัญเลยชิดดีดีมีอเยอะแะวิธีชิดเรื่องดีดีมืย ที่คิดแตมันสบายใจทีล้มันดีต่อใจไม่คิดแต่คิดว่ามันไม่ดีทําไมเพราะอะไรเ ร, เรื่องเก่าเรื่องแกเรื่องจบเรื่องอดีตจบไม่อยู่ปัจจุบันแต่พูดอยู่สวกับอะไรเกี่ยวกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยแต่เราไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันไม่ชอบอยู่กับเราคุยกันไม่ไม่คุยเรื่องปัจจุบั น, น กันไม่คุยกันเรื่องตัวเองที่แต่ละคนอื่นทั้งแต่ปมานังยงเงียบต่าฟังทุกคนเราก็ใจใจใจใจใจใ จ, จไม่มีใครพูดเรื่องตัวเองมีแต่ละคนอื่นทั้งนะั้นไม่เกี่ยวกับเราเลยคนนั้นคนนี้นอ น, อ, นอยู่วันวันหนึ่งเราก็จะอยู่กันอย่างนั้นเนีย่ยเขารว่าไม่มีสติแต่ทีอยู่ภาษีจักตือนตัวนี้น เพราะที่อยู่จริงคอยู่ตัวเราเองเราแก้ไขตัวเราเองปัญหาที่เกิดขึ้นเราแก้ได้ด้วยสติปัญญาที่เรามีอยู่ตรงนี้แต่แและคนมันสามารถที่มีพอแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันเราได้แต่เราไม่ใช้สติปัญญาใช้แด่สัญญาคือกับจำได้ไหมคือความจาจำอะไรมาก็คือไปแต่เราไม่ใช้ปัญญา คือช่วยสัญญาเจ่นทำไมมันยุงมันเยอะจังทมไมแมลงวันมันเยอะจังตันนี้ทําไมมันร้านจล่องอันนี้คือสัญญาสัญญาจําว่าอันนี้คือร้อนนี่คือเย็นอันนี้คือหนาวนี่คือยุงนี่คือแมลงวันนี่คือสัญญาคือว่าปกติของเขาเขาก็ทาอาหารกินหาอาหารไปเรื่อมาดังเร่อยาดังแต่ถอดความไม่ได้ก็หิวก็หาขึ้นมาก็ปวเรา แต่ว่าเรา เ, เป็นมนุษย์เป็นคนที่ฉลาดเราเขามันต้องมีวิธีการวิธีแก้ที่ดีกว่าเขาเขาไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวมีแต่ทาสีกันห้ากันนั้นมันไม่มีสติปัญญาเหมือนเรามันไม่มีไม่ไปทนทำไม่ด้ต่อให้ฆ่ามันตายมันก็ไม่มีประโยชน์เข้ามาไปตบไปตีไปฆ่าไปแกงมันมันไม่มีประโยชน์จะ ต, ตายคือ ทำไม่ได้อะไ ร, ร, น, ร น, น, นี่ปานารีปากาเซ็นคือเหมือนกันว่าทุกครั้งจะถามว่าเราเื่อออปฏิบัตบ้างไั้เคยไปทำบ้างไหมเคยไปใจจองน้ยวันนี้สินห้าข้อเนี่ยอะไรที่เราขัดตัวไปวน้องตัวน้องตัวอะไรก็ตัวทำได้ทำก็ได้ก็จะพยายามให้ทาอย่างนี้มีอยู่ในความคิดไหมยไม่มีสินห้าข้หรือเปล่าก็ไม่รู้ คำถามกี่ข้อก็ไม่รู้นะถูกไรคือปัญหาแล้วคําตอบคือใครคือเราเราปหาคําคตอบากับชีวิตชีิตคือกลายเป็ปัญหาอย่าลืมว่าปัญหามันไม่ต้องมีแค่นี้อนาคตอนาคตคือไม่คิดออกจากต่างแล้วแยกปัญหาหลังจากนั้นมันจะไปไหนมันจะกลับมาที่เดิมมันจะไปต่อหรือหตัวเก่าเราต้องคิดนะ จิตของเราเน้นไม่ธรรมดาถ้ามันหนักแต่มันไม่ไปสูงมันก็ลงต่ำของมากองดังนั้ย่าไปทําให้จิตใจมันหนักนทำให้มันเบาเป็นชิดคําพูดการกระทําต้องระมัดระวังถ้าทามาแล้วมันเป็นกรรมเป็นกายกรรมเป็นวิจีกรรมเป็นเมโนกรรมกรรมกระเจาเนี่รรต่อตอื่นนี้เพราะฉะนั้น ถ้าจิตของเราไม่เย็นหรือไม่อยู่กับตัวปุถาไมคือไม่มีสเตยไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซๆนั้นครูบาอารย์ทงหลายบอกให้เราเวลาเราต้องหาให้ดูตัวเราเองให้สงบคือให้จิตวิราตัวเองหลวงปู่ดุล์บอกอบอออว่าจิตสงบมาเนี่แหละจิตมันอยู่ในกายดีๆเขาไปตากแบบสัญหาความเดือดร้อ กายอยู่ในร่มอยู่ทีๆก็เปตักแบบไม่เป็นโทษใครไม่ได้นะเราไปตัดแดดเองเราเพื่อหาความเบอกบอนในกัดปฏิบัติธรรมอยู่ดูตัวเราให้เห็นสริงหลืในชีวิตประจำวันมันไม่ได้เป็นยินยันครับสอนเลยเลยแต่เป็นเรื่องธรรมดาธรรดที่เราเจอทุกวันอยู่แล้วคือยแต่เจอแล้วเราไม่รู้จักเหตุปัจจัยของนั้น สุหท้ายก็หลงเกิดปัจจัยถ้าว่าไม่รู้เหตุปัจจัยนั่นก็อวิชชาคือตัวต้นตออวิชชาปัจญาสังฆาราอวิชชาแล้วเกิดเหตุกปัจจัยสังฆาราปัจญาเจ็บไหต่อไปก็เป็นสังขารกัดปรุงกัดต่างต่อโอปปัตานกัปรุงแล้วก็ไปยึดในสิ่งที่เราเป็นว่ามันเปจริงไปตจังต่างเน่อเป็นราก็ไล่ไล่ไลไปจนเรา่ร้ึงภพถึงชา ตอที่เป so ็นชาติก็เป็นพบก่อนพบไปแล้วก็เป็นชาติชาติตามมาแต่สิ่งที่ตามชาติมน่ะโสดาบุรุษเคยว่าชาติชราพยาธิมรณะไม่เคยตามกันมาเป็นควรเลยเป็นกิดวุ่นวานถ้ามีการชาติมีสิ่งเหล่านี้แน่นอนมันมาเป็นกิดวุ่นวางเลยชาติชราพยาธิมรณะโสดาบุรุเคยว่าตามมาจนถึงมรณะก็ตาย อันนี้กระบวนการของมันเนี่ยแล้วกระบวนการดับทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทา ง, งก็กระไรใจบ่นได้แต่ เ, เพื่อหนึ่งวันก็จะไม่ได้อะไรแต่กระบวนการเหล่านี้เขาก็ไปตามขั้นตอนเขาไปที่นี่จะเกิดจะเจ็บจะจะตายเขาก็ทําหน้าที่เดิมเขาอย่างซืง้อซ้ำตลอดเขาไม่เคยประสบความมีแต่เราแต่ไม่เห็นไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ การว่าไม่เห็นก็คือไม่เห็นด้วยปัญญาถ้าไม่เห็นด้วยปัญญาก็แปลว่ามันไม่รู้ไม่รู้ก็คืออวิชชาแต่จะบอกว่าง่มันก็หลอกไปบอกไม่ฉลาดมันก็หนักไปเพราะเรามต้องว่ามันบอกเป็นกลางๆบอกไม่ตรงกุศลคือมันไม่ฉลาดนั่นแหละพิดก็ไม่ฉลาดพูดก็ไม่ฉลาดทําไม่ฉลาดทนของมันเราก็รู้อยู่ตรงข้ามกัคนที่ไม่ฉลาด คนจิตที่เป็นกุศลคิดกับฉะลาบุญกับชะลาดทาไม่กบชลานี่คือกับชะลาจะไรก็ต่างเราก็อยู่กันแค่นี้อยู่กับความชลาก็ไม่ฉลากันคืออยู่กับจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลผลก็งายก็คือบุญกับบาปถ้าไม่ทำบุญมันก็ทำบาปมันสองเรื่องแค่นี้ทาไม่้าดีไม่คิดดีกับคิดไม่ดีแต่บอกว่าช่วงกับดีไป แต่จิตที่เป็นกลา ง, ลางจริงๆน่าจะจิตฝึกดีแล้วแ่านั้นที่จะวางจะเป็นกลางได้คือวางบุญวางบาปคนที่จะไปไปไปสูงไปที่กั้นเขาวางบุญวางบางุญเอาแค่องค์ของชานเหมือนกันคือวางขันนั้นได้ในเบื้องต้นอันนี้คือองค์ของชานจนคนที่ปล่อยชานได้มีชานได้วางทั้งชาน คือวางต้งบุญวางั้งบาปจะเป็นกลางวางได้ทั้งหมดติดไปไกลได้แต่เราวางไม่ได้สักอย่างบุญก็วางไมากดบาปก็วางก็ติดก็ดีแปลว่าเปิดผู้คล้องที่แปลเป็นสัตตังแปลว่าผู้ค้องเมื่อมันเข้ามันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ตามราพรธาตุตามกําลังการทรัพที่มีอยู่ตามต้นตนที่มีอยู่รือต้องถามว่าต้นตนของเราเรามีเท่าไหร่ตอนน ต้นทุนก็คือบุญกับกุศลนั้ะตอนนี้มีมากพอเรีรออยังพราะตอนนี้มีมากพอแล้วต้นทุนไม่มีจะเอาอะไรไปทํากําไรอแล้วทําำไมจ็ค้าขายไดนะ้มันไม่มีต้นทุนก็คือคิ ด, ดได้แต่ทำไม่ไนะ ด, ด้คิดได้ว่าอันนี้มันดีนะนี่มันไม่ดีนะอันคิดแต่ไมื่ลงมือทำไม่เป็นมันก็ไม่เป็นบุญไนาะ่เป็นกุศลก็คือไม่ได้ต้นทุนนั่เ อ, ง, เ อ, ง, องนั้นคนที่ต้นทุนต่าตํา เด็กเรียกว่าคนก็คือผู้ที่มีต้นทุนของกลับมาตาม่ำลองมองเห็นไหมคืออะไรถึงสารสัตว์หน้าหลักคือต้นทุนต่าําต้นทุนคนนี้แค่นั้นนะทำมากไปกว น, นั้นไม้สร้างบ้านสาราน้างเรืไม่ได้ทำมาหาเงินเงินแค่มีวุ่นวายก็หากิ น, นกินเองมากกว่าน้องเศรษฐการอยู่ไปอย่างนั้นเป็นหัวหน้าโ ล, ลุ่ก็สแสดงกําลัง ใครมีกําลังเยอะกว่าก็ต้องจะเป็นจา่ากูจ่าโกคือเอาพลังก็ตัดสินไม่ได้เอาปัญญาตัดสินนี่คือ ก, การแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์มนุษย์ต้องใช้ปัญญาตัวตัดสินส่วนสัตว์ไม่ต้องเลยมีกําลังเท่าไหรก่ก็ห้ามหันกันลงไปอาวุธเท่าไรเท่าจริงอยู่ในร่างกายก็มันอื่นไม่มีปิขาหน้ า, าอย่างเราไม่ ม, มีเขา่าใช้เขาไปก็มีเล็บใช้เล็บไปใช้ไม้ม สู้กันแค่นั้นนะสรุปก็คือเอากําลังก็ให้กันถือว่าเกิดต่เพราะนั้นถ้าคนที่มีต้นทุนต่ํำจะกลับมาก็จะเป็นอย่างเพราะนั้นพวกเราทุกคนที่กลับมาเน่ถือว่าต้นทุนเราสูงเกิดต่อเป็นคนไม่ธรรมดามีภาษีกันใักครบหนึ่งไม่ธรรมดาน้อยที่จะกลับม า, า, า, ามจะเป็นใหญ่อีนกมาติดต่อก็จะเป็น้ในขณะเดียกันก็อยากได้มาก็าได้มาแล้วโอ้ ชี้เราเป็นคนเดิมเราดีกว่ามันไม่ได้ดีกว่าพามาแล้วก็ไปต่อยอดไม่ต่อทุนไม่เพิ่มทุนในการตัวเองโอ้ลําบากท้าวนานนี่ลําบากอย่าลืมมาเราธรรมชาติของเราเรียน่ายตายเกิดวนเรียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มรุกิวโชคกิชบมาแล้วถ้าก็จะเป็นอย่างนี้มรู้ิวโชคกิชคือบอกเราไม่เบื่อบ้างเลยไม่หาวิธีบ้างเลยชิดบ้างเลยวันวันหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งปีปีหนึ่งเราชิดไม่ได้เลย ขอบคุณอยือคิดที่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระธรบอกแล้วบอกเราสั่งแล้วตอนแล้วําเรื่เดิมอยู่เงี้ยไม่แยบลำากแล้ ว, ลว ม, มันมันมันไม่เส้นองเงนินแวันนี้ก็ป่าพู้เราเพื่อเป็นนุกแ น, น, นวคิดจะได้ว่าเออมันคิดได้ว่าอย่าไปตากแดดตากฝนปิดประตูปิดผาอย่าให้ข้างนอกนะเข้ามาข้างใ น, น เขมาข้างในมันลําบากกว่าจะออกได้ไม่ใช่ธรรมดาเหมืนอารมณ์ที่เรารับมาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละอันกว่าจะออกมาได้ก็ใจมันหาจจะมันไม่ธรรมดาเมื่อเข้ามาแล้วจะจะจะจะมันไมันให้มันออกอท้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีสมมติแก่ได้ใจหมดแล้วเราก็ยังไม่จลาก็ไม่ปล่อยก็ไม่วางก็ไม่เอาออกมันไม่ได้ มันผิดธรรมชาติเหมือนเข้าวปลาาหาที่เราเอาเข้าไปตอนนะู้นเมื่อเข้าไปแล้วมันเลยอออกมันได้ไหยทั้งหนักทั้งเบานะ่ะไม่ได้มันต้อมองแต่นี่คือวิธีธรรมชาติที่เขาสอนเราเือมันเข้าแล้วมันต้องออกสิาา่งที่ดีที่สุดที่พุทธเจ้าเรามองเห็นก็คือเจ้ามูกที่เราหายใจเข้าแล้มันต้องออกตามมาตราสิบเมันเข้าไปแล้วไม่ออก มับนบอกเวลาไม่้อมันตายตายอยู่ ใ, ใ, ใกล้ๆใครเนี่ยตายจะหมดไม่ต้องรีบไปนะเกิดก็อยู่นี่เกิดที่ตงนี้เจ็บอยู่ น, นตายก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าใครยังไม่เห็นก็มองก็กำหนดสารลมหายใจเมื่อไม่มีลมให้กําหนดแล้วมันหายแล้วเลือดใสใจใส่ใจไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยจําปืวงนใจมี ต, มต่บาปอันนี้มีบุญมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ก็เป็นใจบาปคนบาปเป็นอย่างไรมันไปไหนเราก็รูุ้ตคนบุญเหมือนกันถ้าใจมีใจบุญหรือบุญเยอกว่าบาปก็เรียกว่าเป็นคนบุญใจก็เป็นใจบุญไปก็ไปเพื่มีบุญอนะยากก็จยากไปดีกว่าแต่การของเรทุกคนเพื่อเป็นในุษในปฏิบัติในชีวิตประจําวั น, นระมัดระวงังสํารวมดูตัวเราเองมันเยอะๆถ้าจะโทษก็ให้โทษตัวเองให้มันเยอะๆ จะไปดูคนอื่นมากไปอย่ากไปทอดเงินมากไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาดีเป็นเรื่องเขาชั่วเป็นเรื่องเขาเกี่ยวอะไรกับเราเขารวยเป็นเรื่องเขาเขาจนเรื่องเขาดูที่ตัวเราเนาะเราเป็นยังไงก็ดูที่ตัวเราแก้ไขตัวเราพัฒนาตัวเราให้มันดีขึ้นทุกทุกวันแก้ไขความคิดมันครงแต่งหยืนไม่หยุดไม่ย่อนแก้ไขคำพูดที่พูดอยู่ปาปาปาต่าง โดยการรักษาศีลเจริญสมาธิและก็ภาวนาอันนี้เป็หลักสันติใจศึกษาถ้าเราอยู่ไม่อยู่ในกรอบวัา น, นี้มีอยู่ในข้อปฏิบัติอย่างนี้ยากจะอยู่บนโลกนี้ได้หรือแกโลกนี้ต่อแล้วเป็นหลักกับเราอีกอันนี้สิ่งทีต้องเป็นห่วงพวกเราทุกคนว่ามุ่ประมาทใ น, ในวัยหนุ่ยซื่อวันหนึ่งเมื่อก็ตายมาเยือนเสร็จแล้ว กระารเป็นไถ่คือความกลัวมัจิตมันไม่มีทิศทางมันต้อมีที่ยึดมันต้อมีความแน่นอนก็คือไม่ไปไห น, นกับม่ไดเกิดความหมกหมุ่นเกิดความกลัวเกิมมดกังวลนี่ป็นเรื่องสําคัญนั้นการฝึกจิตทุกวันทุกครั้งให้มีเป็นญาดีเสมอจะได้แก้ไขพัฒนาตเนเนนองมันเจริญมันตรงมากขึ้นตอนเกิดเป็คนก็จะรับประโยชน์ อันเกิดตั้งแ็บการเจิบกันตายเราไปรับประโยชน์จากการเกิดเจ็บจากตายพอมาเงินแล้วมันจะไม่รับประโยชน์อะไรเลยจากการเกิดเจ็บจากตายเกิดคือตายคือพวกเราคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอันนี้คือสาระสาคัญของเราเราเช่าวันนี้เพื่อเป็นแนวนึกมาวึิดแนวปฏิบัติก็อยากให้เราเอาเป็นเป็นแนวนึกจริงๆแนวปฏิบัติจึิงๆพอตู้จะประโยชน์จริงๆครัฟังแล้วสักได้ว่าฟัง มันก็ผ่านไปเฉยๆมันมีอะไรเกิดขึ้นสิดาวครับพูดอีกแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกมันรู้สึกว่าโลกอยู่หองเพราะคนจะพูดอย่างนี้ไปรู้เจอถ้าเราไม่มาเกลงังสังรวมการณ์วาจาใจเราเองเป็นอย่างนี้กับฝากเราทุกคนอย่างจริงจังเข้าใจจริงเรานี้และต้อปฏิบัติให้มันตรงท้องถ้าเราทํามันได้แบบนี้มาแกลใจเราอยู่ในบ้านอย่าไปตากแดดอย่าไปตากฝนอย่าให้ไป ขางไม่ดีเข้ามาสู่บ้านเราพิทวารเปตพาวาร ม, มันจะเป็นวงที่ดีก่อรอมตะมังสับล ห, หลาหานที่พวกเราทั้งหลายแต่น้ำน้ำมานน้ำเงนกอสิ่งเหลานีจะเป็นเสบียงเป็นปัจจัยเป็นกาลังเป็นต้ น, ตนทุนให้กับพวกเร า, า, า, าทั้งหลายในอนาคตดวยกันคือสิ่งเหล่านี้ทํามื่อไรมันก็ดีต่ใจเมื่อนั้นแต่ก่อนอมตะ